ทอนนอบน้อ ม, อมคุณพระรัตไใยขอากาดพระจารย์วัฒนชัยและเพื่อนสนิททุกท่านนะจเจริญพรยัติโยมทุกคนวันนี้ก็เป็นวันพระนะขึ้น8ค่ำเดือน11นะอีกเพียงสัปดาห์เดียวก็จะจะครบนะการเข้าพรรษานะ กานหยจำพรรษาของพวกเราก็เหลืออีกเพียงแค่วันพระสุดท้ายนะก็เวลาก็ผ่านไปรวดเร็วนะวันคืนร่วงไปร่วงไปเนะรวดเร็วมากใน3เดือนนี่ก็แป๊บเดียวสำหรับผู้ที่มาใหม่นะตั้งใจว่าจะอยู่จพาพรรษาะคิดว่าใหม่ๆนะต่นแรก นะอยู่กันก็คิดว่าจะอยู่ไหวไม่นนะ่าเนาะสามเดือนนะชีวิตที่เคยนะอยู่กับทางโลกชีวิตที่เคยอยู่กับแสงสีเสียงชีวิตที่เคยอยู่กับครอบครัวนะพอต้องออกมาก็จะคิดว่าเราจะอยู่ยากหรือเปล่าแต่พออยู่ไปแรกๆก็ก็จะปรับตัวได้เนาะก็จะปรับตัวได้นะ ไม่ไม่น่าจะเกินครึ่งเดือนนะหรืออย่างมากก็เดือนเดียวนะพอเดือนที่สองเดือนที่สมนี่ก็สบายแล้วในการปรับตัวแต่ในช่วงปลายๆภรรษาสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าการที่เราบางทีเราตั้งต้นตั้งต้นดนะีแต่ตอนท้ายนะ อาจจะงอนะตอนไทยอาจจะเรียกว่าพอมันเคยชินกับสิ่งที่เราเราอยู่ในที่นี้นะมันก็อาจจะทําให้เราทําตัวทําใจนะตามสบายมากเกินไปนะจนลืมรักษาสิ่งที่ควรที่จะทําให้มันต่อเ น, นื่องอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังคงไม่ใช่แต่เฉพาะในในช่วงการคันเข้าภาษาเท่านั้นแต่จริง ถ้าเป็นเรื่องของชีวิตเราก็ก็เป็นลักษณะนั้นเหมือนกันนะหลายๆคนตอนวัยเด็กนะตอนวัยเรียนหนังสือหรือตอนวัยหนุ่มสาวนี่นะตั้งต้นชีวิตได้ดีนะเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่เรียกว่าหรือบางคนก็เป็นสังเกต น, นะตอนเป็นเด็กเนี่ย เป็นเด็กในชีวิตจะง่ายๆมีความสุขสนุกสนานไปวันๆไม่เครียดไม่ทุกมากแต่พอโตขึ้นมาเนีนะ่เริ่มยิ้มยากนะเริ่มจริงจังกับสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบางทีก็นะทุกข์หงุดหงิดง่ายนะเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าเราลืมนะเราลืมการวางใจที่ ที่มันแบบสบายๆนะเราไปจริงจังเราไปเคร่งเครียดกับเป้าหมายในชีวิตของเรามากเกินไปนะบางคนหวังที่จะประสบความสําเร็จในทางโลกนะก็มุ่งมั่นในการทําการทํางาน จ, งจมจมจนเครียดอยู่กับการงานนะบางคนหวังความสําเร็จในนะก้าวหน้าในชีวิตหรือว่าในทรัพย์สินเงินทองนะ ก็ใช้เวลาทั้งชีวิตนะทำแต่เรื่องนั้นจนลืมว่าชีวิตเรามันควรที่จะต้องนะมีอย่างอื่นเข้ามาประกอบกันด้วยนะเพราะมีงั้นชีวิตก็อาจจะขาดความสมดุลนะชีวิตเราถ้าจะประสบความสำเร็จแต่ทางโลกนะมีชื่อเสียงเงินทองมียับมีลาบยศสรรเสริญมนะีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตมากมาย แต่ถ้าจิตใจของเรามันสุขมันทุกข์ง่ายจิตใจมันโกรธง่ายจิตใจมันหลงนะมันหลงง่ายชีวิตจิตใจมันปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ยากนะชีวิตเช่นนั้นจะเป็นชีวิตที่เราใฝ่ฝันชีวิตที่เราต้องการจริงหรือไมนะ่เรามีแต่สิ่งภายนอกมากมากมายขึ้นแต่สิ่ง ที่จะทำให้เราวางใจมีความสุขใจหรือว่าทุกข์น้อยลงไปเนี่ยมันทำได้ยากเนี่ยเราก็ต้องกลับมาทบทวนว่าชีวิตที่เหลือของเราเนี่ยเราควรจะเดินไปทางไหนนะวางใจแบบไหนเนาะมาถึงจะสุขนะวางใจแบบไหนแล้วมันทุกวางใจแบบไหนแล้วมันแบกความทุกข์ไว้วางใจแบบไหนแล้วมันปล่อยวางความทุกข์ได้เนี่ย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้นะเพราะวถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่เรียนรู้เนี่ยจิตใจเนี่ยมันก็จะโดนกิเลสครอบงำได้ง่ายเพราะพระพุทธองค์ท่านเปรียบเทียบจิตใจของเราเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับน้ำนะธรรมชาติของน้ําก็คือย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะน้ําที่ออกจากยอดเขาออกจากป่าต้นน้ํานำะ ค่อยๆไหลลงมารวมกันนะจนเป็นลำธารจนเป็นแม่น้ำลงมาจากที่รับสูงมาสู่ที่รุ่มแล้วก็ไปออกทะเลเรียกว่าธรรมชาติของน้ำก็ไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่าจิตใจของเราก็เหมือนกันนะถ้าจิตใจของผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนเนีไม่ได้พัฒนาตนเนี่ยมันก็จะไหลลงไปสู่กิเลสตัณหา นะถ้าเปรียบเสมือนกับเมื่อสักครูที่พูดเหมือนกับเด็กตอนที่เราเป็นเด็กนะเรามีความสุขง่ายเรามีการปล่อยวางง่ายถ้าเลาะเบาแวงกันนะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงวันหนึ่งนี่ก็กลับมาดีกันได้แล้วนะแต่บางคนเเกียดกันไม่ชอบกันนะเป็นปีเป็นชาติก็ไม่ยอมไม่ยอมหายไม่ยอมปล่อยวางก็มีถ้าเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหม ชีวิต จ, จิตใจตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กจะไม่มีกิเลส น, นะเด็กก็มีเยอะนะแต่สิ่งแดีวว่ามันก็ปล่อยวางได้เร็วกว่านะแต่พอเราอยู่กับโรคอยู่กับการงานอยู่กับความคิดตัวเองอยู่กับทิ่งต่างๆมากมายก็ทําให้เราเริ่มเรียก ว, ว่าเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะเห็นแก่ตัวมากขึ้นแล้วนกะ็การเห็นแก่ตัวนี่แหละคือล จะเรียกว่าเป็นเป็นโคดของกิเลสก็ได้นะนะกิเลสทั้งหลายเนี่ยรวมถ้าจะรวมเรียกง่ายๆก็เรียกว่าเพราะความเห็นแก่ตัวก็ได้นะความโลภนะเนี่ยชัดเจนเลยเพราะเห็นแก่ตัวอยากจะไดนะ้อยากจะเอาอยากจะสบายนะเนี่ยรวนเป็นกิเลสเป็นแก่ตัวนะอยากให้ตัวมันสบายคนอื่นจะทุกข์ไม่เป็นไรนะ ความโกรธก็เหมือนกันนะมันก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันนะนะมันมันมันไม่คิดว่าออมันไปทำร้ายคนอื่นมันไปไม่ชอบคนอื่นนะแต่ที่จริงความความคิดความรู้สึกนั้นมันก็ทำร้ายตัวเองด้วยนะความหลงนี่ก็เยอะแยะมากมายนะนะคิดเข้าข้างตัวเองถือทิฐิมานะอะไรต่างๆ ้พเนียเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่รู้ทันนะบางทีเราก็จะโดนกิเลสหลอกได้ง่ายๆอย่างเมื่อวานนะไปทำไปทงานที่วัดฟู่ขทองก็มีเด็กคนหนึ่งนะมาเคยมาบวชที่วัดนี่แหละนะก็ทำไปทำไปก็มีน้ำอัดลมมีแป๊บซี่มีโคกไปแจกคนที่มาช่วยงานรับประทานด้วยนะ เด็กมันก็มาขอกินน้ำเปปซี่นะก็มีพระท่านให้ไปแล้วขวดหนึ่งบอกว่าอเอาไปแบ่งกินกินนะให้เด็กคนนี้ก็บอกไม่พอมาขอใหมนะ่มาขอใหม่ก็นะแล้วก็เราก็บอกว่าเอาไปแบ่งเพื่อนกินสิมันะก็บอกว่าไม่ไปแบ่งหรอกนะเพื่อนมันยังไม่แบ่งให้ผมเลยนะผมก็เลยไม่แบ่งกับมันด้วยนะคือมันไปโทษแต่คนอื่นว่า ไม่แบ่งให้คนอื่นแต่ตัวเองก็ลืมดูว่าตัวเองก็ไม่แบ่งให้คนอื่นเหมือนกันเห็นไหมกิเลสมันเข้าข้างตัวเองมากมันไปบอกแต่ว่าคนอื่นม <am ันไม่แบ่งให้ให้เราไม่แบ่งให้คนอื่นจนลืมดูว่าเราเองก็ขี้เหนียวเราเองก็เห็นแก่ตัวจะเอาคนเดียวเหมือนกันพอพอกิเลสมันคล้องําพอเราขาดสติเนะมันจะเห็นแต่โทษของคนอื่นนะไม่เห็นโทษของตัวเราเองนะ เนะี่ยโดยเป็นเรื่องการเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเนะี่ยไอ้พวกนี้มันสะสมไปเรื่อยถ้าถ้าวันคือมันร่วงไปร่วงไปแล้วก็จิตใจของเราไม่ได้รับการฝึกฝนนะเนาะเหมือนกับเสื้อผ้าผ้าขาวของพอออกไม่ออกเน่แหละของไม่ฉีเน่ยแหล ะ, หละนะมันก็สะอาดนะซื้อมาใหม่ๆเนี่สะอาดขาวดีแต่พอใช้ไปเนะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีถ้าเราไม่ซักเนะ ถ้าเราไม่ทําความสะอาดเนี่ยมันก็ย่อมสกรปรกไปนะอันนี้แหละแต่ถ้าเราคอยมันสักคอยคอยมันความสะอาดบ่อยๆเนี่ยก็ก็ยังคงความขาวได้ใกล้เคียงกับตอนแรกๆ แ, นะแต่จิตใจของเรามันมันมากกว่านั้นนะมันมากกว่านั้นถ้าเราสามารถพัฒนาได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะยิ่งขาวสะอาดขึ้ น, นเรื่อยๆจนกระทั่งนะสุดท้ายมันจะไม้แต่เลิกยึดกัน การถือความขาวความบริสุทธิ์ได้ซําไปนะความบริสุทธิ์ของจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่ที่จริงบางคนก็เปรียบเทียบไว้นะเหมือนให้ายถ้าเป็นผ้าขาวแต่ถ้าเรายังยึดติดในความขาวความบริสุทธิ์ของเราเองเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่แต่จริงเราพัฒนาไปเพื่อให้ถึงความปล่อยวางนะไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งนั้นนะเหมือนอย่างในสโสรกของ ของเซนนะนะของท่านเวลายนะังที่มีที่มีอาจารย์ของท่านเวลางังท่านให้แต่งสรงนะท่านชินเชาที่เป็นที่เป็นลูกศิษย์ใหญ่ของสังคตปณิจนายกองค์ที่5ท่านก็แต่งสรงว่าจิตใจของเรานะกายของเราเปรียบเหมือนต้นโพนะจิตจิตเปรียบเสมือนกระจกใสนะ คอยมันเช็ดถูบ่อยๆนะฝุ่นละอองจะได้ไม่จับนะนะเรียกว่าคอยมันทำใหนะ้กระจกมันสะอาดอยู่เสมอนะกระจกก็จะใสดีตลอดเวลาแต่ท่านเวดางท่านบอกว่านะกายก็ไม่ใช่ต้นโพจิตก็ไม่ใช่กระจกใสนะเมื่อไม่มีอะไรแล้วฝุ่นละอองจะจับที่ตรงไหนนะใช่ไหมถ้าถ้าทุกอย่างมันว่างนะไม่มีกระจกมาตั้ง ฝุ่นมันกไไ็ไม่มีที่ตั้งก็คือว่าเมื่อไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีของของเรานะความทุกข์กิเลสมันจะมาตั้งได้ที่ตรงไหนมันตั้งไม่ไดนะ้เมื่อมันไม่มีแล้วมันไม่ย่อมไม่มีที่ตั้งนะเปรียบเสมือนกับสมมติถ้าถ้าเราไม่มีแก้วน้ํานะน้ํามันตกลงมานะมันก็ไม่มี มันก็ไม่มีน้ำที่มันขังอยู่ในแก้วถ้าเปรียบแตเหมือนตัวจิตใจก็เหมือนกันถึงแม้ถ้าเราไม่มีความยึดมั่นถือม่าในในจิตใจว่าเป็นของเราแล้วนะเขาด่าเขาว่ามาเราไม่เอาตัวตนไม่เอากิเลสตัณหามารับเนี่ยมันก็ผ่านไปนะมันก็ผ่านไปสบายไม่ทุกข์แต่ถ้าเราคิดแต่ว่าเขาว่าเราเขาว่ากูเขาทำร้ายกูนี่มันทุกข์นะมันเจ็บ นะมันเจ็บอยู่เสมอนะอันนี้การปฏิบัติธรรมมันเพื่อให้เข้าถึงการที่เราละตัวตนได้อย่างแท้จริงนะการการทําสิ่งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการภาวนาเริ่มต้นตั้งแต่การการทำบุญทําทานเนี่ยนะมันก็เป็นไปเพื่อการละตัวตนนี่แหลนะจุดมุ่งหมายจริงๆนะจุดมุ่งหมายกับวิธีการเนี่ยมันจะไปคู่กัน พุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนสอนทางสอนทางที่เราจ ะ, จะทำให้เราเดินไปสู่ความพ้นทุกเนี่ยมันสอดคล้องไปกับเป้าหมายของชีพของการใช้ชีวิตของท่านด้วยนะคือเป้าหมายในพุทธศาสนาก็คือทำอย่างไรเราถึงจะทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนีนะ้ให้พึ่งปรากฏชัดแก่เราได้เหมือนอย่างที่เราสวดในบทธรรมวัชเช้านะ พูดง่ายๆคือทำอย่างไรเราถึงจะพ้นทุกข์นั่นแหละนะหรือทำอย่างไรเราจะถึงความสุขอย่างแท้จริงนะอันนี้คือเป้าหมายในชีวิตนะถ้าภาษส่าพระก็คือไปถึงนิพพานะวิธีการก็คือนะมักมีองคศาหรือถ้าจะย่อเป็นไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยคือวิธีการนะเราจะทําไงนอเราถึงจะไปถึงเป้าหมายได้ก็มีวิธีการนี่แหละนะ มีวิธีการที่จะไปถึงได้การที่เรามีศีลมารักษาศีลเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งการทำสมาธิฝึกจิตก็เป็นวิธีการหนึ่งการภาวนาวิปัสสนากรรมฐ า, านให้เห็นความจริงเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งเป็นวิธีการที่ต้องทำควบคู่กันไปหรือทำให้มันต่อเนื่องกันไปเราทำบุญเราทำทานเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อละความตนหนีทิ้นี้ว ในจิตใจของเรานะตอนเรามาเนอะเรามาตัวเปล่าแต่ตอนเราอยู่ตอนนี้นะเราก็มีอะไรมากมายเลยเนอะเราเกิดมาไม่แต่เสื้อผ้าก็ไม่มีเงินสักบาทสดึงเดียวก็ไม่มีตอนนี้เรามีมากกว่าอตอนที่เราเกิดไม่รู้กี่เท่านะแต่จิตของเรามันก็บางทีก็ไม่รู้จะพอสักทีนะมันคิดแต่ว่าเรายังมีไม่พอมันคิดแต่ว่าเรายังมีน้อย แต่หาดูไม่ว่าเราก็มีมากกว่าตอนที่เราเกิดมาบนโลกนี้มากมายนะจนนับไม่ถ้วนแล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากนะแต่ถ้าเราไปมองหรือไปคิดแต่ว่าเราขาดนะความอยากเนี่ยมันก็เลยทําให้เราไม่รู้จักพอสักทีนะเมื่อเราไม่รู้จักพอสักทีเนี่ยมันก็เลยเกิดความเกิดความทุกข์นะความอยากเนี่ยคือรากเหง้านะของความทุกข์ นะอยากทรัพย์สินเงินทองมันก็ทุกข์เพราะเรื่องนั้นนะอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นอะไรมันก็ทุกข์เพราะตรงนั้นแหละถ้ามันไม่ได้ไม่มีไม่เป็นนะนะแต่ที่จริงนะแม้แต่ได้มานะก็ทุกนะแนะม้แต่มีมาเนี่ยมันก็ทุกเนะี่ยเราอยากจะถูกหวยเราจะอยากถูกรอตอรี่นะได้มาเป็นสิบล้านมันก็ทุกข์เพราะต้องรักษาทุกข์เพราะว่าคนมาขอ ทุกเพราะว่าต้องจัดการนะมีบ้านหลังโตมีทรัพย์สินมากมายบางทีก็ทุกต้องดูแลเขานะจนหลายคนก็พูดว่าไม่สามารถออกจากบ้านได้เพราะห่วงบ้านนั่นแหละเรามีเราก็ทุกแต่หลายคนมีแล้วไม่ทุกก็ได้นะก็คือว่าถ้ามีแล้วรู้จักปล่อยวางนะรู้จักเพียงแค่ว่าเอาเพื่อใช้งานนะนะที่พูดว่า เรามีทรัพย์สินเงินทองมีสิ่งต่างๆนะในชีวิตเนี่ยมันก็สามารถมีได้ตามความชอบธรรมนะแต่เราจะมีอย่างไรจิตใจถึงจะไม่ทุกข์อันนี้แหละเป็นสิ่งที่สาคัญเรามีบ้านเรามีลูกมีเมียมีผัวมีเพื่อนนะมีอะไรต่างๆในชีวิตมันก็สามารถมีได้แต่ถ้าเรามีแล้วยึดเนี่ยมีแล้วก็ทุกข์ แต่ถ้ามีเพื่อใช้งานมีเพื่อเกี่ยวข้องนะมีเพื่อนะเป็นการดนมิตกันเนี่ยถ้ามีแบบนี้มันจะไม่ทุกข์นะมันมีแต่ความสุขใจแล้วก็เกิดการพัฒนาตนมากขึ้นไปเรื่อยๆการทำทานก็เพื่อตรงนี้แหละสะระรู้จักสะระเจ้บ้างอะไรที่เป็นนะความตันหนีทีเหนียวในตัวของเราเนี่ยสะะไปนะบางทีเราสะระง่ายนะในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะ อันนี้เราไม่ต้องการแล้วอันนี้เราไม่ใช้แล้วเราสละทด้ง่ายแต่บางอย่างเป็นสิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่เราห่วงแหนเป็นสิ่งที่เราก็บางทีเราก็ยังคิดจะใช้มันอยู่นะมีคนมาขอมีคนมายืมนะบางทีก็ยากที่จะให้นะแต่บางทีก็ไม่ใช่ว่าจะต้องให้ตลอดหรอกนะแต่หมานถึงว่าแต่บางทีทราบมันมันเป็นไปเห็นว่ามันเป็นไปเพราะว่าเราที่จริงเราก็ไม่ได้ต้องการจะใช้หรอก แต่เราเพียงแค่รักมันมากกว่าอย่างอื่นเราก็เลยไม่ให้มันไปอันนี้ก็เป็นความตันหนีทีเหนียวนะนะความตันหนีทีเหนียวเราฝึกไปสะดะไปนะเงินทองสิ่งที่เรามีเนี่ยเรารู้จักสะดะบ้างนะแต่ก็ไม่ใช่สะดะแบบหมดเนื้อหมดตัวจนทั้งนะทาให้ครอบครัวเดือดร้อนนะนะะเราก็สะดะนะตามสมควรแก่ฐานนะบางทีสะดะมากผู้รับเขาก็ตกใจหรือว่าใช้ไม่ถูกประโยชน์ก็มีนะอื ก็ต้องสระแบบมีปัญญาเหมือนกันแต่การทําทานก็เป็นไปเพื่อสระกิเลสสระการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของต่างๆนะไม่ใช่ทําไปเพื่อหวังที่จะเอานะบางทีคนไทยเราทําทําบุญทําทานเนี่ยหวังหวังจะเฮงหวังจะโชคดีหวังจะเคาะดีนะหวังจะให้มันรวยมากขึ้นแทนที่จะทําเพื่อความสละแต่กลายเป็นทําเพื่อที่จะเอานะ การรักษาศีลก็เหมือนกันเรารักษาศีลเพราะว่าเราที่จริงศีลเนี่ยมันเป็นการทําปิดอบายภูมิของเรานะเป็นการปิดนะเพราะว่าทําผิดศีลเนี่ยมันก็ไปตกไปสู่นรกตกไปสู่ภพภูมิที่ต่ําลงไปเรารักษาศีลเพราะว่าป้องกันไม่ให้นะทั้งเผลอตกไปสู่ที่ที่ต่ํานะไม่ทําผิดนะในศีลข้อต่างๆนะ ก็ทําให้เราจิตใจของเรามีความสะอาดมีความเป็นปกติเนะี่ยเรารักษาศีลเพื่อตรงนี้เนะไม่ใช่รักษาศีลเนะบางคนรักษาศีลมากก็ทุกข์เนะีกังวลว่ากลัวจะผิดศีลเนะผมหรือว่าสมาธิดว่าบางทีตอนเราบวชใหม่ๆเนี่ยบางทีเราจะเกรงเราจะกลัวเนะ่กลัวอันนี้จะทําได้หรือเปล่าอันนี้ทําไม่ได้นะเอ่กนละัวจะผิดศีลหรือผิดไปแล้วก็ ก็ยิ่งกุ้มนะกุ้มทำยังไงน้อเราถึงจะเราถึงจะแก้ได้หรือบางทีก็คิดแต่คิดแต่ถงตึงแต่สิ่งที่เราทำผิดไปจนกทั่งเกิดความทุกข์ใจก็มีนะแต่พออยู่ไปเรื่อยๆบางทีก็อาจจะนะสบายเกินไปนะก็ไม่ถูกเหมือนกันนะกุ้มมากเกินไปนะปล่อยมากเกินไปนะก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ที่จริงเรารักษาตินนะเพื่อฝึกนะ ศีลนี่เป็นเหมือนคล้ายๆเขื่อนที่คอยกั้นน้ํานะคอยกั้นไว้ไม่ให้เราตกไปสู่สิ่งที่ต่ํานะ <c oughs> ก็คือกั้นจิตใจของเราเนี่แหละไม่ให้มันมันทั้งเผลอไปได้ง่ายถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยบางทีเราก็ทําทําแบบไม่ยั้งคิดนะ <c oughs> เหมือนกับหลายคนที่บางทีประกาศตนว่าไม่นับถือศาสนาไม่มีศรัทธากับอะไรเนี่ยบางทีนะ ที่จริงไ ม, ไม่ใช่ว่าเขาไม่ศรัทธาอะไรนะเขาก็ศรัทธาในความคิดของเขาเนี่นแหละนะแต่บางทีไอ้ความคิดพคนนั้นถ้าถูกถูกกิเลสครอบ ง, งาเนี่ยนะมันอยากจะกินเหล้าก็พาไปกินนะมันอยากจะตีใครก็ตีมันอยากจะด่าใครก็ด่านะมันอยากจะเอาของใครก็เอานะอยากจะเป็นชู้เป็นกิ๊กกับใครก็ทําทันทีถ้าเราไม่มีศีลไปเครื่องกลั้นเนี่ยมันก็จะทําตามความชอบทําตามความชังนะ ทำตามใจที่มันสั่งใจมันสั่งแต่ใจตัวนี้คือใจที่มีกิเลสมันสั่งแต่การมีสินเนี่ยอ้อพอใจมันคิดใจมันอยากเช่นนั้นเราระลึกได้ว่าอันนี้มันผิดสินผิดมันจะช่วยให้เรายั้งใจการรักษาสินเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับถ้าเรามีสติรู้ทันว่าเออใจมันคิดใจมันอยากมันก็ละมันได้แต่ถ้าเรา ไม่มีสติเนี่ยก็ยากนะที่จะรักษาศีลได้เพราะว่าพอใจคิดปุ๊บเราก็ทําปั๊บนะพอโกรธปุ๊บ ก, ก็ด่าปั๊บนะพออยากได้เอาก็ขโมยทันทีอะไรเนงะี้ยอันนี้คือมันคือมันเรียกว่ามันหยาบนะหรือบางคนถ้าตกอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยนะก็คิดวางแผนที่จะทําคิดวางแผนต่างๆจมนะจมมันอย่างขโมยอย่างนี้เนาะขโมยเนี่ยเขาก็ต้องมีความอยาก มีการเตรียมการมีการวางแผนที่จะป้นท้่จะนะเอาสิ่งของค น, นอื่นๆเนี่ยมันจมอยู่ในโลกของความคิดของมันจมอยู่ในความอยากนะเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนก็มีนะให้คนเนี้ยมันเกิดมันเกิดสิ่งที่ทำให้เราผิดศีลขึ้นเ้รื่อยน้นศะีลก็คือว่าป้องกันเราไม่ให้ตกไปสู่ในที่ที่ต่าแต่ที่จริงศีลมันก็มีอานิสงค์คือทำแล้วเรามีความบริสุทธิ์ใจนะทแล้วเราก็รู้สึกเออ ไม่ต้องทุกข์ใจนะที่ทําผิดเนี่ยพอใจที่มันบริสุทธิ์พอใจที่มันเป็นเรียกว่าไม่มีความกังวลเนี่ยมันก็เกิดความตั้งมั่นของจิตได้ง่ายอจิตก็เกิดความตั้งมั่นนะไม่ปรุงซ่านนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยก็คือเรามีสมาธิศีลเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้เกิดสมาธินะแต่ไม่ใช่แบบพวกรักษาศีลแบบเข้่งครัดจนเคร่งเครียด น, นะนะ แต่รักษาศีลด้ยจิต ท, ที่เป็นปกติเนี่ยมันทำให้เรามีสมาธิได้ง่ายนะจิตมันตั้งมั่นไม่วันไหวนะใครจะว่าอะไรใครจะนินทาอะไรเรารู้ตัวของเราเองว่าเราไม่ได้ทำผิดนะนั่นก็เกิดความมีสดใจแต่บางคนถ้าทำผิดศีลแล้วก็กลัวนะก็กลัวคนนั้นจะตาหนิกลัวคนนั้นจะตีเตียนกลัวคนนั้นจะซุบซบนินทานะเป็นเป็นกลัวสนังหวะนะ กลัว แ, แต่แผลตัวเองจะโดนคนอื่นเอาเกลือมาใส่หรือว่ามาทิ่มแทงให้มันเจ็บขึ้นไปนะแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีสินแล้วเนี่ยมันจะเหมือนผู้ที่เรียกว่านะผิวหนังไม่มีแผลนะจะโดนน้ำเกลือจะโดนนะยาผงที่เป็นพิษมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะร่างกายของเราไม่มีแผลแล้วนะมันก็สบายใจนะจิตก็เกิดความตั้งมั่นได้ง่ายนะ เกิดความมั่นคงตรงนี้นะปิณก็เป็นเครื่องมือที่สําคัญแต่ติ่งหนึ่งที่ที่ต้องฝึกกันก็คือเรื่องของจิตใจนะเรื่องของจิตใจเรื่องที่เป็นนามธรรมเนี่ยนะมันจะช่วยให้เกิดปัญญาได้มากขึ้นนะจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยต้องแยกให้ออกระหว่างที่เป็นสัมมาสมาธิกับวิชาาวชาสมาธิมันมีได้เนอะวิชชาสมาธิสมาธิที่ผิดมีนะ สมาธิถ้าเป็นไปเพียงแค่แบบสงบแบบไม่รู้อะไรนะกับถ้าเป็นสมาธิที่เป็นไปเพียงข้อความรู้ตัวให้เกิดปัญญาเนี่ยมันต่างกันนะถ้าเราทําไปแล้วมันจิตใจมันแค่นิ่งๆไม่คิดอะไรแต่ก็ไม่รู้อะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นวิชาสมาธินะแต่ถ้าจิตใจมันอาจจะนิ่งหรือไม่นิ่งไม่เป็นไร แต่มันมีตัวรู้ในการเห็นสติต่างๆอยู่เนะีมันเป็นสมาสมาธินะอะ่คือมันมีจะเรียกง่ายๆว่าสมาธิก็คือจิตที่มีมีสติคอยกํากับอยู่นั่นแหละมันมีสมาธิแต่ถ้าทําไปแล้วสงบทําไปแล้วเคลิ้มๆนะไม่มีสติคอยกํากับไม่มีความรู้ตัวเนะี่ยจะเรียกว่าเป็นวิชฉาสมาธิก็ได้นะนะองค์ประกอบที่สําคัญของ ของสมาธิก็คือต้องมีสติด้วยนะมีจิตที่ตั้งมั่นมั่นคงตรงนั้นด้วยแล้วก็เกิดความรู้ตัวต่อเนื่องด้วยทำไปเช่นนี้แหละนะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันมันไม่วันไหวแล้วก็เกิดความต่อเนื่องในการรู้ตัวต่อเนื่องในการเห็นสภาวะธรรมต่างๆเมื่อมันเห็นบ่อยๆมันจะเข้าใจมันจะเข้าใจความจริงของชีวิตว่าสิ่งต่างๆนะั้นมันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองเนาะ มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะมันมีแล้วก็หายไปไม่มีอะไรคงที่แน่นอนนะมีแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีแต่สิ่งที่บังคับไม่ได้อนาะบังคับให้มันคิดก็ไม่ได้บังคับให้มันหายคิดก็ไม่ได้นะมันเกิดขึ้นมาของมันเองตามเหตุตามปัจจัยนะจริงเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุพิบัยนะมันมีเหตุมันมีปัจจัยของมันอยู่เราจะเข้าใจความจริงตรงนี้นแหละ สิ่งที่เรียกว่าปัญญาดฉนะะนั้นการปฏิบัติในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการทำสมาธิฝึกจิตก็ดีหรือการเจริญปัญญาเจริญมิปัสนาก็ดีมันเป็นไปเพื่อให้เราเข้าใจความจริงนะความจริงของชีวิตเป็นไปเพื่อให้เราปิดกั้นกิเลสตัณหาเป็นไปเพื่อให้เราสละนะ ความเห็นแก่ตัวจากจิตใจของเราทั้งนั้นนี่แหละเราทําอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นในทํานองของธรรมตรงนี้แหละมันย่อมเป็นไปไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นนั้นถ้าเราคอยระลึกถึงตรงนี้นี่คือเป้าหมายของการใช้ชีวิตของชาวพุทธเราแล้วเราก็เลือกเส้นทางเลือกวิถีชีวิตเลือกการใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายตรงนี้แหละ มันก็เป็นถือว่าเราเป็นเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะอืมกระผมหรือว่าตามาชอบคําที่หลวงพ่อท่านหลวพประยุทธ์ประยุทธ์โตนะพระพรมคุณนาพรท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการที่ที่เรานําธรรมะมาใช้กับชีวิตนั่นแหละหรือว่าเรามีชีวิตที่สอดคล้องกับกับธรรมะนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าเรา เอาธรรมะมาใช้กับชีวิตหรือใช้ชีวิตสอดคล้องกับธรรมะอันนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วนะมันไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบหรือพิธีกรรมพิธีการเท่านั้นแต่จริงมันเป็นเนื้อเป็นหนังควบผู้กันไปพร้อมกันเลยนะนั่นก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นแม่ชีหรือไม่ว่าจะเป็นคารวาสไม่ว่าเราจะอยู่วัดตลอดหรือว่าเราจะอยู่ ชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่จริงวัดที่แท้จริงก็คือกายแล้วก็ใจของเรานั่นแหละนะเรามีกายเรามีใจแล้วเรามีเครื่องมือพร้อมแล้วเครื่องมือตรงนี้แหละที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทําได้นะนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทําความดีได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ละความชั่อได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถฝึกจิตฝึกใจให้เข้าถึงความจริงได้นะ แต่ถ้าเราไม่มีสติเราไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะไม่ว่าอยู่ในพระอยู่ในเพศของพระอยู่ในเพศของแม่ชียอยู่ในเพศของพ่อออกแม่ออกอยู่ในอยู่ในวัดหรืออยู่อยนอกวัดเนี่ยถ้าเราขาดสติก็ทำผิดศีล น, นะทำสิ่งที่ไม่ดีนะก็ไม่ทำสิ่งที่ดีจิตก็จิตก็สกรปรกไปเรื่อยก็มีเหมือนกันนะมันไม่เกี่ยวว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าไม่เกี่ยวว่าเราเป็นใคร แต่เกี่ยวแต่ว่าเรามีสติรู้ตัวยั้งใจได้ไหมเรามีสติรู้ทันทำกุศลปล่อยวางได้ไหมอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนาะก็ขอให้พวกเราทุกคนได้เดินทางนะไปสู่ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเถิน